สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธาพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เรามาอยู่ในกฎทองคำกฎข้อที่16นะครับกฎทองคำกฎข้อที่16ในหนังสือย0กฎทองคาของศาสนาอาจารย์ฟลิปเทงนะครับแปลโดยท่านศาสนาอาจารย์สุพิษวิจักโยธินพี่น้องครับการที่เราเข้ามาถึงกฎที่16นั้น เราจะเข้าใจและเรียนรู้หลักการศัจธรรมความจริงจากพระเจของพระเจ้าในเรื่องของการได้รับอนุญาตหรือการตอบคำอธิษฐานครับเป็นกฎแห่งการได้รับอนุญาตพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานพระเจ้าอนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่เป็นหลักการแท้จริงของศัจธรรมในพระของพระเจ้าแต่เราต้องเข้าใจหลักการ แห่งการอธิษฐานขอและกฎระเบียบของการได้รับอนุญาตเสียก่อนหรือกฎระเบียบของการได้รับคำตอบคำยินยอมจากพระเจ้าประการแรกครับท่านศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงใช้คาว่าอนุญาตในความไม่อนุญาตไม่อนุญาตแต่กลับรับพระพรเพียน้องครับอนุญาต ในการไม่อนุญาตแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานแบบโ no นพี่น้องครับพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแบบโ no นแต่นั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าทำให้ชีวิตของเรานั้นรับพระพรตัวอย่างแรกครับก็คือประสบการณ์ของท่านอครทูตเปาโลพระเนะาของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมสองโครินต์บทที่12ข้อที่7และข้อที่9 โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสําแดงมากมายนั้นก็ทรงให้มีน้ําใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าน้ํานั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเรื่องหนาใหญ่นั้นข้าพเจ้าวิงวอนองพระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า การมีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์เต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสองโครินต์บทที่สิบสองนะครับผมจารใน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 ประสบการณ์การอธิษฐานขอและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานสิ่งที่ท่านอค า, าทูดเปาโลขอก็คือขอให้พระองค์เอาหนามใหญ่ออกไปอาจารย์เปาโลท่านวิงวอนองค์พระเจ้าถึง3ครั้งนะครับขอให้มันหลุดออกไปหนามนี้จะเป็นอุปสรรคปัญหาต่า ง, างๆเยอะแยะมากมายครับซึ่งเป็นไปได้หลายอย่างไม่มีใครทราบแน่ชัดครับแต่ว่าพระเจ้าตรัส ตัดตอบว่า no คือไม่อนุญาตพระเจ้าอนุญาตในการไม่อนุญาตก็คือพระเจ้าตอบคำยืมฉันคำทูลขอว่า no แต่รับพระพรจากพระจาของพระเจ้าตอนนี้ครับให้คำสอน4ประการด้วยกันประการแรกครับคือพระเจ้าทรงใช้การโจมตีของซาตาน เพื่อให้น้ําพระทัยที่ดีเลิศประเสริฐของพระองค์สาเร็จความคิดของซาตานนั้นชั่วร้ายแต่พระเจ้าอนุญาตอนุญาตให้เกิดผลดีพระเจ้าอนุญาตให้ทำได้เพื่อแผนการของพระเจ้าสาเร็จครับเพราะอะไรครับเพราะวิถีของพระเจ้าสูงกว่าทางของมนุษย์และความคิดของพระเจ้าก็สูงกว่าความคิดของมนุษย์ อิสยาบที่ห5าข้อที่เครับพี่น้องครับวิถีของพระเจ้าก็สูงกว่าทางของมนุษย์และพระราชลัริของพระเจ้าก็สูงกว่าความคิดของมนุษย์พูดง่ายๆก็คือว่าทางของพระเจ้านั้นเป็นอยู่เหนือทางของมนุษย์และความคิดของพระเจ้าก็อยู่เหนือความคิดของมนุษย์นั่นเองและสูงกว่าเหนือกว่าความคิดของซาตานด้วย เหมือนซาตานอาศัยการข่มเหงมาขัดขวางพวกเราขัดขวางการพัฒนาการเติบโตของคริสตจักรพระเจ้าทรงยอมให้เกิดการข่มเหงเกิดขึ้นและจากการข่มเหงนี้เองจากเหตุการ์ต่างๆนี้เองซึ่งเป็นอุปสรรคเหมือนพระเจ้าไม่ตอบหรือว่าเจ้าตอบว่าไม่แต่กลับทำให้คริสตจักรรับการฟื้นฟูมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับพจนะของพระเจ้านั้น ชัดเจนบางครั้งทําให้เราต้องเข้าใจว่าว่าเจ้าไม่ได้ตอบคําอธิษฐานครับเมื่อพระเจ้าไม่ได้ตอบคําอธิษฐานเราต้องยอมรับว่าพระเจ้าเซโนเมื่อพระเจ้าเซโนถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าวิถีของพระเจ้าสูงกว่าความคิดของเราสูงกว่าทางของเราเพียงครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับคําตอบจากการที่ว่า พระเจ้าตอบว่าโ no นพระเจ้าตอบว่าไม่อนุญาตแต่เป็นพระพรครับเป็นพระพรทำให้เป็นพระพรที่เราคาดไม่ถึงเป็นพระพรที่ซ่อนอยู่ในคำตอบว่าโ no นในคำตอบว่าไม่อนุญาตไม่อนุมัติพระเจ้ามีน้าพระทัยที่ดีเลิ่ประเสริฐกับพวกเราทั้งหลายทุกคนบางครั้งเราอ่านแผนของพระเจ้าไม่ออกเมื่อเราอ่านแผนของพระเจ้าไม่ออก หลายคนก็อาจจะท้อแท้ใจหลายคนอาจจะเละิกหลายคนอาจจะไม่ยินดีที่จะทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าต่อไปหลายคนก็ไม่เพียงแต่ท้อใจครับออกจากทางของพระเจ้าเลยนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องถ้านาสตราจารย์ฟิลิปได้ให้หลักการที่สองต่อไปว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้า สมบูรณ์มากขึ้นในคนที่อ่อนแอซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ตอนเดียวกันนี่แหละครับความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิเดชของพระเจ้าก็มีฤทธิ์เต็มขนาดขึ้นที่นั่นฤทธิเดชของพระเจ้าจะสมบูรณ์มากขึ้นในคนที่ air. อ่อนแออาจารย์เปาโลมีความเข้าใจในข้อลึกลับนี้ ก็ทำให้ท่านสามารถที่จะเข้มแข็งขึ้นได้มีกำลังใจขึ้นได้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีความลำบากและท่านนอกจากมีความเข้มแข็งท่านยังมีความชื่นชมยินดีและความภาคภูมิใจในความทุกข์ยากลำบากของท่าน้ําที่ท่านอธิษฐานขอถึง3ครั้งนั้นกับกลายเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีและเข้มแข็งขึ้น ประเด็นต่อไปก็คือว่าดูเผินๆแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานแต่ในความเป็นจริงพระเจ้าตอบคำอธิษฐานคำทูลขอของอคัครทูตเปาโลในระดับชั้นที่สูงกว่าพระเจ้าตอบในระดับชั้นที่สูงกว่าหลายครั้งทีเดียวเมื่อพระเจ้าตอบเราอาจจะยังไม่เข้าใจครับแต่เมื่อเรายอมเชื่อฟังยอมรับ สิ่งที่พระเจ้าตอบเราเองก็จะเข้าสู่แผนหรือระดับน้ำมันไทยชั้นที่สูงกว่านั่นคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจครับพี่น้องครับจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวนันนี้ว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานั้นอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เราทูลขอครับหรือบางครั้งสิ่งที่เราทูลขอนั้นอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตของเรา หลายครั้งทีเดียวเราทูลขอบางสิ่งบางอย่างแต่พระเจ้าตอบว่าไม่การอัศจรรย์ยังไม่เกิดการรักษาโรคยังไม่เกิดการตอบคาอธิษฐานที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าควรจะตอบแบบนี้แต่พระเจ้ายังไม่ตอบหรือตอบว่าไม่พระเจ้าไม่ได้ฟังคำอธิษฐานของเราหรือครับคำตอบคือพระเจ้าฟังครับ แต่พระเจ้ามีน hmm. ้าพระทัยที่ดีเลิศประเสริฐยิ่งกว่านั้นให้กับเราเหนือชั้นครับเพราะฉะนั้นเราจึงควรเข้มแข็งขึ้นมีความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจครับว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในน้ําพระทัยที่เลิศประเสริฐของพระเจ้าการตอบคำทูลขอของเปาโลการตอบคำอธิษฐานของเปาโล จึงน่าจะเป็นตัวอย่างสําหรับพี่น้องหลายท่านรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยครับที่อาจจะยังทนทุกข์อยู่ยังมีคำตอบที่พระเจ้ายังไม่ตอบอยู่หรือยังมีคำตอบที่พระเจ้าน่าจะตอบแต่พระองค์ตอบว่าไม่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในชาวันนี้ครับเราจะได้รับคำตอบที่ชั้นที่สูงกว่าอามน